ท่านฟังที่เคารพคะเราก็มาถึงช่วงเวลาที่จะได้มาฟังในลักษณะของการถามตอบคําถามที่เรียกว่าเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะคําถามทุกคําถามเราจะใช้ธรรมะของพระพุทธองค์ตอบนะคะแล้วก็หยิบยกเอาพุทธวจนะมาด้วยโดยพระอาจารย์ไพบูลอภิปุลโนซึ่งเป็นพระภิกษุอีกรูปหนึ่งนะคะที่อยากจะที่ต้องการจะเผยแผ่พุทธวจนะของพระพุทธองค์ให้ ภัยสารออกไปเรื่อยๆค่ะน้อมักการะทั้งค่ะได้ท่านหลวงพันวันนี้คำถามจากคุณอริยชนเป็นอริยชนคำถามที่ได้ยกเอาพูท้ทวจนะขึ้นมาเลยนะคะดีมากขออนุ ญ, ญาตอ่านนะคะคต้องบอกว่าขอโอกาสขออนุ ญ, ญาตนี่ต้องเป็นพวกข้าราชการนะคะขออนุ ญ, ญาตเจ้าไหน <laughs> พิกษุทั้งหลายชนเหล่าใดจะเป็นสมณะหรือพราหมณ์ก็ตาม ติดอกติดใจสยบอยู่เมาหมกอยู่ในกามคุณห้าอย่างเหล่านี้แล้วไม่มองเห็นส่วนที่เป็นโทษไม่เป็นผู้รู้แจมแจ้งในอุบายเป็นเครื่องออกไปจากทุกขทําการบริโภคการมคุณทั้งห้านั้นอยู่ชนเหล่านั้นอันคนทั้งหลายพึงเข้าใจเถิดว่าเป็นผู้ถึงความพินาศย่อยยับแล้วแต่มารผู้มีบาปต้องการจะทําตามอําเภอใจอย่างใดดังนี้ภิกษุทั้งหลาย เปรียบได้ดังเนื้อป่าที่ติดบ่วงนอนจมอยู่ในกองบ่วงในลักษณะที่ใครๆพึงเข้าใจได้ว่ามันจะถึงซึ่งความพินาศย่อยยับเป็นไปตามความประสงค์ของพรานทุกประการเมื่อพรานมาถึงเข้ามันจะหนีไปไหนไม่พ้นเลยดังนี้ฉันใดก็ฉันนั้นต่อไปเป็นคำถาม น, นะคะถามพระอาจารย์ว่าโทษของกรรมคุณเป็นอย่างไรครับอุบายเป็นเครื่องออกไปจากทุก ของการมคุณทำอย่างไรควรบริโภคกรรมคุณอย่างไรไม่ให้จมกามเพราะคุณอริยชนบอกว่าตัวเองเนี่ยชอบดูทีวีฟังเพลงเพราะๆกินอาหารอร่อยอ่อยดิฉันก็ชอบนะค <laughs> ะคุณอริยชนเรมาไม่ตอบหรอกทำไมล่ะคะเพราะว่าเพราะว่าถ้าคนยังจมกามอยู่อ่ะพูดไปเขาก็ยังเห็นว่า พูดข้อไม่ดีของกามเขายังเห็นว่ากาลเป็นสิ่งดีเห็นคุณประโยชน์ของกาลเห็นแต่ความสุขของกาลพูดไปคุณก็ออกจากกามไม่ได้เพราะว่าคุณยังกําหนัดลุ่มหลงมัวเมาผัวพันเพลิดเพลินในกามอยู่ท่านอาจารย์พูดอย่างนี้ที่ฉันแย่เลยในขณะนี่ยต้องบอกว่านี่พูดไม่ชัดเจนเลยว่าแหมยังชอบยังอยากกินอาหารอร่อยๆอยากดูทีวีอยากฟังเพลงเพราะๆแล้วคุณจะออกจากกาลได้ไง มันไม่มีทางแต่ต้องเรียนอย่างนี้นะคะดิฉันตอบเองได้ไหมคะคาถามนี้เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าที่พูดเนี้ยก็คืออยากจะบอกว่าที่คุณอริยชนชอบเนี่ยอื ม, มันเป็นเรื่องที่คนทั่วๆไปส่วนใหญ่ชอบอืนะคะดิฉันมีเพื่อนที่อายุพอๆกันอย่างเนี้ยก็มีความสุขในลักษณะแบบนี้อยู่อแต่ดิฉันลืมใส่คําว่าเคยไปในตอนต้นนะคะว่าดิฉันเคยเนี่ยชอบ ชอบดูทีวีก็จะชอบไม่เหมือนคนอื่นคนอื่นเขาอาจจะดูละครดูความบันเทิงเราก็ชอบอีกแบบหนึ่งชอบดูข่าวชอบฟังเพลงเนี่ยท่านพบูลณ์คะเดี๋ยวนี้ฟังเพลงน้อยมากคือคือถ้าจะให้พูดถึงโทษของกามโอ้โหโทษของกามนี่มากมายมหาศาลพระพุทธเจาเปรียบเทียบกับครบเพลิงยาะหมาแทะ ก, กระดูกความฝัน <C> e <an> เอาหมาแ<อ>ทกกระดูกดีไหมคะถ้าแรงกระกแทบเผ็ดดีเวลายกตัวอย่างค่ะยกตัวอย่างเช่นคนฆ่าโครหรือลูกมือของเขาที่ชํานาญฆ่าโคเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็ปาดเนื้อออกมีดที่ใช้ก็เป็นมีดที่คมกริบนะเวลาเขาปาดเนื้อโคเนี่ยเขาไม่ให้เนื้อเหลือติดกระดูกเลยแม้กระทั่งเอ็นกระดูกเนี่ยจะมีเลือดเปื้อนอยู่นิดหน่อยเท่านั้นค่ะแล้วก็โยนให้หมาแล้วหมาเห็นอยู่เนี่ยเขากำลังปาดอยู่เนี่ยน้ำลาย6กติงติ่เลยเอากระดูกมากิน พระพุทธเาถามว่าหมามันจะอิ่มไหมหมันไม่มีทางอิ่มค่ะนะั้นยังดีก็ได้แค่เลียเลือด น, ดนิดหน่อยที่เหลือกินน้ําลายตัวเองค่ะไม่ได้อะไรถามว่าคุณฟังเพลงเพราะๆคุณกินอาหารอะไร อ, อร่ๆคุณจะได้อะไรธรรมมาจะบอกให้ไม่ได้อะไรคะนะโทประโยชน์ของกามมินิดเดียวเท่านั้นเองคบเพลิงหญ่าเป็นยังไงคบเพลิงญ้าเนี่ยจุดๆไปเนี่ยไฟมันแวบเดียวนะควันก็มากแล้วเดี๋ยวมันมาไหมมือเรา ประโยชน์ของมันมีแค่แว็บเดียวนั่นเองแต่โทษของมันไม่มือควันก็เยอะแล้วก็จะลามมาถูกเราอีกนะเหมือนความฝันความฝันเป็นยังไงความฝันก็คือโอ้ฉันมีอันนั้นอันนี่แมเต็มที่เลยอยากกินอะไรได้กินหมดอยากไปไหนได้ไปหมดตื่นมาเป็นยังไงเอาไปไม่ได้สักนิดเดียว่นี่คือความฝันเหมือนกับของยืมเข้ามานะคนหนึ่งเดินจากตลาดหนึ่งไปอีกตลาดหนึ่ง เดินจากบ้านหนึ่งไปอีกบ้านหนึ่งะ <Okay. S 1> เป็นลูกน้องเขาแบกของไปให้นะแต่ต้องผ่านตลาด <Okay. S 1> ระหว่างที่ไปเนี่ย mm hmm. โอ้ยคนในตลาดนะเขาพูดกันจอแจเลยโอ้โ oh, หคนนี้ดูสิเ <c oughs> นี่ยนะคนรวยเขาอยู่กันอย่างนี้แหมครับสินมาต่างๆมากมายพอไปถึงบ้านอีกหนึ่งนะต้องคืนเขาหมด <Okay. S 1> นะหรือว่าเปรียบเหมือนกับเขียงสับเนื้อเขียงเนี่ยมันไม่ได้กินเนื้อเลยค่ะ <Okay. S 1> มันมีแต่ ลิ้มรสของเนื้อเฉยๆแต่ไม่ได้กินค่ะนี่คือเขียงสับเนื้อยอ้โทษมันเยอะคงไม่ได้ลิ้มรส ม, มันค่เขียงเนี่ยเป็นที่สําหรับให้เขาวางใช้เนื้อใช่ให้หั่นเนื้อสับเนื้อแล้วโทษของมันมหาศาลเท่ากับว่าท่านกําลังจะบอกว่าสําหรับคนที่ยังมีความรู้สึกพึงพอใจในเรื่อง<ช>กรรมคุณทั้งหลายเนี่ย<ช>อธิบายยากถูกต้องเพราะเขากำหนดกาลังกําหนัดเพลิดเพลินยินดีมัวเมา นะอยู่ในกรรมคุณนั้นแต่ที่ฉันเข้าใจว่าคุณอริยชนเนี่ยลองได้ตั้งชื่อขนาดนี้แล้วก็รู้จักรายการท้ า, าจานด้วยเนี่ยนะคะคงจะไม่อาการหนักขนาดนั้นมั้งคะคือเขาดีมากที่ว่าเขา <c oughs> ยกพุทวจะนะมาถาม <c oughs> ที่เขาต้องเห็นเนี่ยจิตเขาต้องเป็นสมาธิแล้วให้เห็นโทษของการมมากๆ <c oughs> นะจะคลายความกำหนัดได้จะคลายความกำหนัดในการมได้โทษมีอะไรอีก ถามคุณนริยชนคุณทํางานหรือเปล่าถ้าคุณทํางานนะแล้วคุณจะต้องเหน็ดเหนื่อยกับการงานไม่ได้บริโภคตามเวลาไม่ได้พักผ่อนตามเวลานะเพื่อที่จะหาโพกทรัพย์นั่นแหละเป็นโทษของการเป็นกองทุกข์ที่เห็นได้เองเพราะมีการเป็นเหตุมีการเป็นเครื่องก่อมีการเป็นเครื่องบังคับให้กระทําเป็นไปเพราะการรมนั่นเที่ยวค่ะเหมือนกับว่าท่านกําลังจะบอกว่าการที่เราเคร่งเครียด<ม>กับกา ร, รทํางานจนเกินไปอ่าอธิมา ของมันขึ้นนะว่าถ้าใครบอกว่ามีประโยชน์ของกามเนี่ยนะ <c oughs> มันมีนิดเดียวน้อยมากเลยแต่คนส่วนใหญ่นะคะโดยเฉพาะเนี่ยคนที่ตื่นแต่เช้าเลยเนี่ยฟังรายการนี้ก็ฟังเพราะว่าจะต้องรีบออกจากบ้านไปทํางานน่ยมันต้องทํางานหนักเนี่ย <c oughs> ก็บอกว่าเอ๊ะถ้าอาจารย์พูดอย่างนี้ถูกเหรอก็ค่านิยมเขาบอกว่าคนเราต้องทํางานหนักเพราะว่าอะไรนะคะงานคือเงินเงินคืองานบรรดาลสุขตรงนั้นเป็นคุณธรรมที่ต้องมีคือความเปลี่ยน <c oughs> ที่ไม่ให้มีคือความกําหนัด ม, มัวเมาเพลิดเพลินยินดีในสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นเราต้องแยกประเด็นให้ออกระหว่างอารมณ์ที่อันวิจิตพิสดารที่เกิดขึ้นคุณมีบ้านหลังโตคุณกับเบนซ์ได้ไหมได้ในขณะเดียวกันคุณเศรษฐกิจพอเพียงได้ไหมในหลวงฟันธงว่าได้เหมือนการพระรูชาฟันธงบอกว่าคุณอารมณ์มีอารมณ์อันวิจิตพิสดารได้เพราะองค์เองเนี่ยเป็นพี่ปุณผู้เพียบพร้อมได้ปัจจัยทั้งสีแต่พระองค์ไม่เสพกามทําไมเพราะว่าไม่มีความกําหนัดเพลิดเพลินยินดีลุ่มหลงมัวเมาในสิ่งนั้น เปราะนั้นจิตของเราเนี่ยถามว่าคุณฟังเพลงเพราะได้ไหมได้แต่อย่าชอบคุณกินอาหารดีๆได้ไหมได้แต่อย่าลุ่มหลงถ้าไม่ได้อย่าขอ อ, อย่างชอบเฉยๆนี่ก็ไม่ได้เลยหรอคะพูดถึงนะค ะ, อะข อ, ขอประทานโทษนะคะพ อ, พอใจพอใจพูดอย่างนี้เดี่ยวพอใจถามว่าพาาระหลานตื่นมาเนี่ยอยากกินข้าวไหมอยากกินข้าวไหมค่ะเอามันหิวข้ามันก็ต้องกินข้าวนะคะแต่ถามว่าตรงนี้ไม่ใช่ความอยากเป็นความต้องการของร่างกายเฉยๆแล้วถ้าไม่มีอาหารที่ชอบเราจะกินได้ไหม ก็ได้นะเราไม่เดือดร้อนด้วยการที่ไม่มีหรือการมีแต่ถ้ามีพอใจไหมโอเคได้ตัวตัวอย่างที่กราบเรียนถามคือเรื่องของการฟังเพลงเนี่ยหมายความว่าถ้าเพลงมีอยู่บนโลกใบนี้ฟังได้ฟังได้ฟังได้แต่อย่าไปติดใจที่ว่าโอ้โหจะเป็นจะตายกับเพลงอย่างนี้ใช่ไหมคะถ้าไม่มีจะต้องเรียกหาเนี่ยอันนี้ไม่ถูกท่านคะถ้าสมมติแค่ฟังเพลงแล้วเรามีความรู้สึกว่าเนื้อหาดีอืมสมมุตินะคะเรารู้สึกแค่เนี้ยว่า เนื้อหาดีแล้วก็สนใจลงไปในเนื้อหานั้นว่าอาจจะบอกเล่าความจริงของชีวิตได้ดีเหลือเกินซึ่งาอาจจะเป็นเพลงเกี่ยวกับเรื่องความรักก็ได้ใช่อย่างนี้เราถือว่าไปพึงพอใจเขาแล้วหรือยังคะอันนี้ไม่ใช่อันนี้คือความที่เรียกว่าเห็นประโยชน์ในสิ่งนั้นใช่ไหมเราไม่ได้กำหนัดกำหนัดลุ่มหลงมัวเมาพัวพันจับอกจับใจะนะในสิ่งเหล่านี้ไม่ควรทาถามว่ามันต่างกันยังไงอ่ะก็ฉันพอใจ เอาเอาแยกให้ถูกนะพอใจก็ส่วนหนึ่งกำหนัดลุ่มหลงยินดีมัวเมาพัวพันก็ส่วนหนึ่งสองส่วนนี้ไม่เหมือนกันพอใจได้ไหมได้กําหนัดได้ไหมไม่ได้อย่าให้เกิดต่างกันยังไงต่างกันตรงที่ว่าถ้าเรามีความกําหนัดลุ่มหลงเพลิดเพลินมัวเมาจับอกจับใจเนี่ยถ้ามีใครเอาไปเมื่ อ, อไหร่นะเราจะทุบอกร่ําไห้คร่ําครวนคลัง่งเพอ้อถึงความเป็นผู้ ง, งุนงงหลงไหล แต่ถ้าเราแค่พอใจคนเอาอื่นคนอื่นเขาเอาไปจากเราเราจะสบายอยู่ไม่มีก็ได้หรอกอย่างนี้นะค่ะเพื่อถามว่าถ้าคุณพิเรยชนฟังเพลงพระเพราชอบใช่ไหมชอบเนี่ยไม่ใช่พุถุวจนะนะถามว่าคุณพอใจหรือคุณกําหนัดแต่ถ้าคุณพอใจกับเพลงเพราะเพาะอาหารดีๆพอใจได้ไม่เป็นไรวัดยังไงถ้าคนอื่นเขามาเอาไปหรือไม่ได้อย่างที่ว่าเนี่ยเด็กเสิร์ฟมาอาหารมีเส้นผมอยู่แหมเรียกเด็กเสิร์ฟเรียกแม่ครัวมาด่าอันนี้ไม่ถูก อย่างนี้เป็นต้นนะเราก็แค่พอใจเฉยๆอย่างนี้แปลว่าอยู่กับสิ่งเหล่านี้ได้เพราะว่าโลกโลกใบนี้มีอย่างนี้เราจำเป็นต้องอยู่ร่วมกับคนอื่นแต่ต้องรู้จักวิธีการที่จะอยู่กับสิ่งเหล่านี้อย่าให้จมกามนะคะคือพอใจได้อย่าให้กำหนัดลุ่มหลงมัวเมาถูกต้องจับจิตจับใจจับอกจับใจจับอกจับใจอย่าให้มีจะไม่มีทายังไง คุณต้องเห็นโทษของการมมาก ๆ, ๆเห็นมากๆเลยค่ะ เ, เราก็ไปหาความสุขที่เกิดจากในภายในจะทําใหา้ไม่เพลิดเพลินรุ่มหลงโวเมาได้ค่ะโท ษ, โทษของกรมคุณถ้าจะตอบแบบเป็นพุทธวจนะมีไหมคะมีการทั้งหลายมีโทษมากมีทุกข์มากเรากล่าวแล้วกล่าวอีกนะพระจะสึกเนี่ยพระจะสึกให้พูดอย่างนี้บทเพียรชนะที่พระเจ้าบอกถ้ามีใครจะมาแสดงความเป็นผู้ถ่ายกําลังนะให้เธอบอกเขาอย่างนี้ นะบอกว่าการนี้มีทุกมากมีโทษมากพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยได้เปรียบเทียบกับโทษของกามเปรียบด้วยเขียงสับเนื้อเปรียบด้วยกระดูกหม า, าสุนัขแท้กระดูกน ะ, ะเปรียบด้วยกับความฝันเปรียบด้วยของยื้มเข้ามาเปรียบด้วยคบเพืองหญ้าเปรียบด้วยบุตรหยุดบนหลังกลุ้มฐานเพลิงอะไรต่างๆเนี่ยอย่ายินดีพอใจกำหนัดมัวเมาในกามเลยนะจงประพฤติพรหมจรรย์เถิดอ๋ออันนี้เป็นประเพณีถ้าเกิดว่าพระจะสึกเนี่ยะจะต้องพูด บทพุทธวจนะนี้หรอคะอหมายถึงว่าพระพุทธเจ้าบอกะบอกว่าถ้าถ้ามีคนมาสึกเนี่ยให้ทำอย่างนี้ได้อันนี้เปรียบเทียบกับนักรบอาชีพเวลาไปรบกลับม า, ายังไม่ทันถึงที่พยาบาลตายกลางทางเหมือนการคนที่แสดงความเป็นผู้ถอยกำลังเขามาบอกแล้วให้แก้แต่ไม่แก้อยังสึกไปพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบอย่างนี้คือมีการทำอย่างนี้เกิดอยู่ก็เท่ากับว่ามีโทษมาก นันแหละสาหรับกรรมคุณอุบายเครื่องออกไปจากทุกข์ของก ร, รมคุณเขาคือเห็นโทษของเขาคืออ๋อเห็นโทษก็เป็นเครื่องออกอุบายเครื่องออกแล้ว ก, การเห็นโทษเนี่ยเป็นอุบายเครื่องนําออกล ะ, ะของก ร, รมคุณแต่คุณอริยชนถ้าฟังรายการนี้ไปมากๆหรือว่าไปปฏิบัติธรรมหรือว่าศึกษาพุทธวจะนะมากๆดิฉันเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้มันจะจางไปเองนะคะถูกต้องถูกต้องคืออันนี้เป็นประสบการณ์จากตัวเองอะคะ่ะใช่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยในชีวิตประจำวันต้องกราบเรียนท่านเลยว่า จะเสพของผู้นี้น้อยมากแล้วก็แม้กระทั่งการรับประทานนะคะ <c oughs> เราเราก็ยังยังมีโอกาสที่จะรับประทานอาหารอร่อยๆแต่ไม่ได้ใยหา <c oughs> แล้วก็อันนี้เป็นสิ่งดีแล้วคนที่ฝ่ายหาเนี่ยเขาจะผิดศี ล, <c oughs> ลจะมีความเสี่ยงของการผิดศีลด่าคนนี้ว่าคนนี้นะเป็นโทษของกรารทังนั้นที <c oughs> นี้ถ้าเราเราเห็นโทษของการ ม, มากมาก แล้วมาเสพความสุขที่เหนือกว่านั่นคือความสุขจากในภายในตรงนี้มันจะค่อยๆจางไปจางไปนะคะยังไปดูคอนเสิร์ตได้ถ้าใครเขาเชิญมาแต่ไปดูแบบวางจิตไว้อย่างนั้นใช่เป็นการบริโภคกรรมคุณที่ถูกต้องนี่ก็เป็นสิ่งที่น่ารู้มากๆกับท่านครับเพราะว่าดูเหมือนกับว่า <c oughs> ในโลกใบนี้มันเต็มไปด้วยก ร, รมคุณ <c oughs> ไหมคะ ถูกต้องออต้องพูดอย่างนี้ลําดับขั้นตอนต้องลําดับให้ถูกน ะ, ะไม่ใช่คุณไปหาฟังคุณไปหากินก่อนไม่ใช่ลําดับยังไคงคะท่านคะคุณต้องเห็นโทษของมันก่อนหนีออกจากเขาก่อนวางเข้าให้ได้ก่อนแล้วถ้าจะกินไปกินได้ถ้ามีความต้องการไปฟังถ้ามีความจําเป็นต้องไปฟังไปฟังได้ค่ะแต่อย่าไปหาฟังอย่าไปหากินอ๋อค่ะไม่ต้องแสวงหาใช่แสวงหาอย่างอื่นคือแสวงหาความสงบสงบสุขที่เกิดจากในภายใน พวกกรรมคุณอย่าไปสแสวงหาแต่ถ้ามันเกิดก็กินได้ได้เยินอยู่ก็ฟังได้อย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าคำสอนนี่จะละเอียดนะไม่ไม่เป็นคุณกับพวกทำธุรกิจพวกนี้สิคะ <c oughs> คนบอกโอ้ตายล้วะ่ะถ้าสมมุติเกิดเนี่ยมนุษย์ทั้งโลกเห็นโทษของกรรมคุณก็ะจะไปค้าขายอะไรกับใครได้มาก อพอดูเหมือนกับทุกวันนี้นะคะท่านโลกปัจจุบันยิ่งเป็นโลกแห่งการโฆษณา ม, มีสื่อเดี๋ยวเนี้ยใครคิดอยากจะทําสื่อของตัวเองก็ได้แล้วเนี่ย ม, มันเต็มไปด้วยโฆษณายั่วยวนให้คนบริโภคค่ะแล้วถามว่าบริโภคอะไรอืมไม่ได้ว่าบริโภควิมุตินะคะไม่มีขายค่ะบริโภคการบุคคลเนั้นเองนะใช่ค่ะใช่อันตรายอย่างยิ่งดิฉันเพิ่งเห็นป้ายโฆษณาบอกว่า เบียร์สามารถทําให้เป็นมะเร็งได้อืนีนขายทุกอย่างนี่ต้องขึ้นป้ายไหมคะถ้าเป็นขึ้นป้ายแบบอันนี้ขึ้นป้ายตามกฎหมายสมมติว่าถ้าขึ้นป้ายตามธรรมเนี่ยอันนี้ขอกราบเรียนถามท่านแบบสมมุติคะ่ะท่านค่ะถ้าขึ้นป้ายตามธรรมนะบิลบอร์ดทั้งหมดถ้าคนจะต้องเปลี่ยนการรณรงค์ให้มีสีรณรงค์ให้ไปอีกเรนอย่างนี้บิลบอร์ดทั้งหมดนะตามทางหลวงต่างๆดีฉันนึก ว, ว่าท่านจะบอกว่าการบริโภค การะคุณเป็นอันตรายก็ให้พูดถึงคุณประโยชน์ของการประพฤติ ธ, ธรรมดีกว่านะค ะ, ะให้ยกย่องการประพฤติ ธ, ธรรมในสิ่งดแต่สุดท้ายเราต้องอยู่กับเขามันหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าเราควบคุมพฤติกรรมคนอื่นไม่ได้ก็ช่วยช่วยกันเผยแผ่ความคิดนะคะในการที่จะทําให้เราทั้งหลายไปพร้อมๆกันออกจากกามะคุณอหมายถึง ปล่อยวางการบุคได้นะคะค่ะวันนี้ก็นมัส ก, การขอบพระคุณพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนไว้ในโอกาสนี้อเจารยพรท่านฝังที่เคารพคะและสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราก็คงจะต้องล่ำลาท่านไปเพื่ออีกสองวันให้ท่านได้มีโอกาสหยุดพักจากการทำงานแต่ย่ายหยุดพักจากการที่จะสแสวงหาความก้าวหน้าทางธรรมนะคะเราก็เอาความรู้ที่ไดจากรายการนี้ไปปฏิบตัติปฏิบัติได้ทุกเวลา ไม่จำเป็นจะต้องนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบแต่เพียงอย่างเดียว ว, วันนี้ก็ร่ำลากันไปเพื่อพบกันใหม่ในวันจันทร์นะคะพุทธวัตสวัสดีค่ะ